เดี๋ยวนี้มีอาชีพแปลกๆนะเกิดขึ้นเยอะบางอาชีพก็อาจจะมีมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยแพร่หลายอย่างเช่นเมื่อหลายวันก่อนก็มีคนหนึ่งประกาศทาง a c e b o o k รับจ้างนะรับจ้างคุยหรือรับจ้างเป็นเพื่อนคุยคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละ119บ้าทใครที่นสนใจคือคนที่ประกาศนี่เป็นผู้ชาย ปกติก็เคยได้ยินนะว่ามีโฆษณารับจ้างเป็นเพื่อนคุยแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแล้วก็เจตนานี้ก็คงไม่ได้เป็นเพื่อนคุยเฉยๆนะแต่ว่ามีอะไรแอบแฝงแต่ว่าเขียว่าเป็นรับจ้างคุยหรือรับจ้างเพื่อนคุย ไ, ได้ดูดีแต่ว่ามีวัตถุประสงค์มากกว่า น, นั้นนะอันนี้ก็ เป็นที่รู้กันในแวดวงพวกที่ชอบเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่รับจ้างเป็นเพื่อนคุยจริงๆเนี่ย ก, ก็มีมากขึ้นนะบางรายก็เน้นไปที่ผู้สูงวัยคนชราคนแก่แล้วก็ไม่ได้คุยต่อหน้านั้นแต่คุยทางโทรศัพท์รับจ้างคุยทางโทรศัพท์ เ, เพื่อ แก้่เหงาคนชราเพราะเดี๋ยวนี้คนแก่เหงามากขึ้นอยู่บ้านบ้านจัดสรรก็ดีนะหรือว่าบ้านทาวน์เฮาส์ก็ดีไม่ได้อยู่แบบแถวหรือว่าหมู่บ้านเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่อยู่ในตึกแถวในหมู่บ้านก็มีเพื่อนคุยนะมีเพื่อนอ่าที่ จะได้สนทนากันเรียกว่าสภากาแฟโขกหมักลุกหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ตั้งวงเล่นไพ่นะคนสมัยก่อนที่มีอายุเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเหงาแต่เดี๋ยวนี้เหงาเนะเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวเพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยรู้จักชื่ออะไรยังไม่รู้เลยลูกก็ไม่มีหลานให้เลี้ยงแล้วก็ไม่มีอะไรให้ทา เงาก็เลยต้องการคนที่จะมาพูดคุยอย่างนี้บริการแบบนี้ก็มีเยอะนะรับจ้างพาคนแก่ไปโรงพยาบาลแล้วก็เป็นเพื่อนคุยไปด้วยระหว่างที่รอหมออยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่ารอตรวจนะซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็มีคนเป็นเพื่อนคุยแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะ เพราะว่าผู้หญิงเขาก็มีอธัธยาศัยดีแต่ว่ารายนี้เนะี่ยมาแปลกเป็นผู้ชายแล้วก็เจตนาเนี่ยถ้าหาว่าท่าที่เข้าประชาสัมพันธ์นะคือเป็นเพื่อนคุยจริงๆชั่วโมง1 1 9เก็ขาบอก1้อบาทนี่ไม่ใช่อะไรเนะี่เป็นค่าเบียร์นะเพราะว่าระหว่างที่คุยเขาก็จ ะ, ะกินเบียร์ไปด้วยก็แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายคงจะเป็นผู้ชาย ผู้ชายที่เหงาไม่มีเพื่อนคุยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นกันเยอะแม้จะมีครอบครัวมีภรรยาแต่ก็รู้สึกเหงาแล้วบางทีก็ต้องการนะเพื่อนที่เป็นเพื่อนกินด้วยซ้ำนะเดี๋ยวนี้แม้ก็ทั้งเพื่อนกินก็หายยากแล้วคือมากินด้วยกันเ็บอกว่าเนี่ยเขาจะ ออกค่าเบียร์เองแต่ว่าค่าอาหารนี่ก็แบ่งครึ่งนะเขาก็เรียกว่าสปอร์ตมีน้ําใจนะไม่คนที่จ้างนี้ไม่ต้องออกค่าอาหารหมดนะก็คิดว่าอาชีพแบบนี้เนี่ยต่อไปคงจะมีมากขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยไม่ใช่แค่เงาอย่างเดียวนะแต่ว่ามีความทุกข์ใจที่อยากจะระบายด้วยบางอย่างเนี่ย ไม่สามารถจะระบายคนรู้จักให้คนรู้จักฟังได้อาจจะเป็นพ่อไม่ได้คุ้นเคยมากและบางอย่างเนี่ยแม้จะเป็นคนคุ้นเคยก็ไม่รู้จะระบายยังไงเพราะว่าอาจจะเป็นความรู้สึกผิดนะได้เคยทำอะไรที่ไม่ดีกับพ่อแม่ปุปการีแล้วก็ไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังเลยเพราะคนที่เขาคุ้นเคยกับเรารู้จักคนในครอบครัวของเรา กลัวว่าพูดไปแล้วระบายไปแล้วเดี๋ยวคนในครอบครัวคนใกล้ตัวจะรู้บางทีก็อาจจะมีความสุขผิดที่ไปมีเมียน้อยนะก็ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังดีหรือว่าอาจจะรู้สึกโกรธนะโกรธเมียโกรธเพื่อนโกรธเจ้านายก็ไม่รู้จะระบายใครฟังเพราะว่ากลัวจะระบายให้คนรู้จักเดี๋ยวมันก็จะไปถึงหูคนที่ตัวเองบ่นว่านะ ตอนนั้นเนี่ยถ้ามีคนที่ไม่รู้จักเลยเนี่ยมานั่งฟังความทุกมารับฟังหรือว่ารองรับเรื่องที่เป็นความทุกข์ใจก็ก็ช่วยนะคลายความทุกได้นี่เป็นปัญหาของคนในปัจจุบันที่มีความทุกข์แล้วไม่รู้ว่าจะเล่าให้ใครฟัง เพียงแค่มีคนฟังนี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะหลายคนนี่เปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายนีเพราะว่าระบายไปแล้วมีคนฟังบางทีคนฟังก็อาจจะเป็นช่างตัดผมที่คุ้นเคยหรือว่าอาจจะเป็นจิตแพทย์หรือทีนี้ก็มีจิตอาสานะที่รับฟังความทุกข์ความกับกุ้งใจ รับฟังทางโทรศัพท์ก็มีโพคัทไลน์หรือว่ามาเป็นจิตนาสารรับฟังตามสวนสาธารณะตามที่สาธารณะแต่ว่ามาแล้วส่วนใหญ่คงต้องการเพื่อนคุยเพื่อคลายเหงาหรือเพื่อแก้เหงาอันนี้มันก็น่าคิดนะทุกวันนี้คนสมัยใหม่มีอะไรให้ทำเยอะมีอะไรให้เสพเยอะว่างๆก็ดูหนัง ฟังเพลงดูซีรีส์เจ็ดสิบแปดสิบตอนมีอะไรให้ดูทั้งวัน24ชั่วโมงแต่ก็ยังรู้สึกเหงานะรวมทั้งมีโซเชียลมีเดียให้ดูไม่จํากัดให้เล่นไม่จํากัดเวลาแต่คนก็ยังเหงาแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันทดแทนทดแทนอะไรทดแทนเพื่อนไม่ได้แม้จะมี สิ่งที่จะมาดึงดูดความสนใจแต่มันก็ไม่สามารถจะทดแทนสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนได้แล้วคนเรานี่ต้องการเพื่อนและคนสมัยนี้เนี่ยมีเพื่อนน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าชีวิตที่ต่างคนต่างอยู่ประเภทตัวใครตัวมันคิดถึงแต่จะมุ่งตะกายให้ถึงความฝันของแต่ละคนโดยไม่สนใจคนอื่น จริงๆไงสื่อพวกนี้เนี่ยหรือความมันเทิงแม้กทั่งโซเชียลมีเดียเนี่ยนอกจากมันทดแทนเพื่อนไม่ได้แล้วเนี่ยบางทีมันขัดขวางนี่นะขัดขวางการมีเพื่อนพราเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กระทั่งในครอบครัวเนี่ยก็คุยกันน้อยนะเพราะว่าต่างคนต่างก็สนใจแต่โซเชียลมีเดียเวลากินข้าวด้วยกันก็จ้องหน้ามองโทรศัพท์มองจอไปไหนมาไหนก็ไม่ได้สนใจที่จะพูดคุยกับใคร เลยเพราะคนแปลกหน้าอย่าว่าแต่คนรู้จักเลยเพราะว่ามองแต่จอโทรศัพท์แทนที่มันจะเป็นตัวส่งเสริมให้เรามีเพื่อนเยอะนะกับทําให้เรามีเพื่อนน้อยลงไปเรื่อยๆทําอะไรจะไปไหนเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวแทนที่จะได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคยโทรศัพท์มันก็มาขวางซะและ้ว โซเชียลมีเดียเซลฟี่สารพัดอันนี้มันทำให้การมีเพื่อนเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นแมก้กระทั่งคนรู้จักก็สื่อสารกันน้อยในสมัยนี้เนี่ยศิลปะที่คนเราควรจะมีคือศิลปะในการมีเพื่อนซึ่งก็หมายความว่าให้เวลากับค น, คนอื่นมากขึ้นเลยเพราะคนใกล้ตัว และไม่ใช่ให้เวลานั่นะต้องมีไมตรีจิตด้วยเพราะจะมีเพื่อนได้มันต้องมีความเป็นเพื่อนหรือให้ความเป็นเพื่อนกับคนอื่นก่อนถ้าคิดถึงแต่ตัวเองมันก็จะหาเพื่อนได้ยากดีย๋ยวว่าแต่เพื่อนแท้เลยนะเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวก็หรือเพื่อนคุยก็น้อยลงแต่ถ้าเราเริ่มมาจากการให้นะมีน้ำใจไมตรี rees, มีความเ อ, อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่รู้จักให้อภัยรู้จักอดทนอดกลั้น เพราะว่าธรรมดาการครบกันก็ต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างมีเรื่องที่ไม่ถูกใจกันบ้างแต่ถ้าเราไม่ถือสาให้อภัยยอมรับความแตกต่างอันนี้ก็ทำให้ความเป็นเพื่อนเนี่ยหรือไม่ต็มจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หรืองอกงามขึ้นได้และพอมีเพื่อนแล้วนะไอ้ความคิดอยากจะให้มันก็มีมากขึ้นก็ช่วยกระชับแน่นความสัมพันธ์ให้ความรู้สึกเงามันก็จะน้อยลงนะแม้จะไม่มี โทรศัพท์มือถือไม่มีโซเชียลมีเดียก็อย่างนั้นก็ยังมีเพื่อนและยิ่งให้ดีนีถ้าหาว่าเรามีตัวเราเป็นเพื่อนโดยยิ่งดีนะสามารถอยู่กับตัวเองได้แต่นั่นก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงเอาแค่มีเพื่อนที่อรอบตัวที่เป็นเพื่อนจริงๆนะที่จะพูดคุยปรับทุกอันนี้ถ้ามีมันก็ช่วยทําให้ชีวิตเราเนี่ยมี ความทุกข์น้อยลงมีความสุขได้ง่ายขึ้น